เรื่องคนไทยเป็นบุคคลที่โชคดีที่สุดในโลกคืนหนึ่งหลังจากเทศอบรมพระเนนจบลงท่านพระอาจารย์มั่นเข้าพักผ่อนผู้เล่าถวายการนวดเรื่องพันเอกนิ่มชโยดมคล้ายกับค้างอยู่ยังไม่จบความเป็นคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาเข้าสู่พุทธวงศ์หรือเข้าสู่วงจรชาวพุทธ มีใยเป็นของได้ง่ายๆท่านเลยยกพุทธภาษิต ท, ที่มาจากคัมภีร์พระธรรมบทกุตการนิกายว่ากิจโฉมนุสสะปฏิลาโภกิจชังมัจานะชีวิตตังภาษิต ท, ที่ยกมานั้นท่านเอามงคละสูตรมากล่าวตั้งแต่อเสวนาเป็นต้นไปจนถึงพุทธะโลกะธรรมเมหิเป็นอวสาน มงคลที่ท่านย้ำเป็นพิเศษคือบทสองปฏิรูปรเทศวาโสอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมบทสและสทานนันจะการให้ทานอนนาวชานิกรรมานิคือการทำงานที่ไม่มีโทษเพราะสี่บทนี้เป็นพื้นฐานของมงคลทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องปฏิรูประเทศนี้คือการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมสำคัญมาก ท่านดูจะหมายเอาประเทศไทยโดยเฉพาะพอท่านอธิบายจบแต่ละมงคลก็จะย้ำเป็นบาลีว่าเอตัมมังคัลมุนตัมมังถึงสามครั้งและเป็นภาษาไทยว่าเป็นความเจริญอนันดูโดมเลิศถึงสามครั้งครั้งสุดท้ายพอขึ้นพุทธะาตโลกธรรมเอหิจิตตังยสะนกรรมปณิอโศกังวิราชังเขมัง เอตัมมังคัลมุตตามังนั่นหละถึงเป็นมงคลถึงที่สุดคือพระนิพพานเลยท่านพูดต่อว่าความเป็นคนไทยพร้อมพร้อมอย่างไรท่านจะอ้างญิงตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงสมัยปัจจุบันทั้งภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์พระไตรปิฎกพร้อมมูลประเทศไทยไม่เคยอดอยากหิวโหวย ตั้งแต่ยุคสุขโขทัยถึงปัจจุบันประเทศไทยไม่เคยว่างเว้นจากพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเอกอัคราศาสนูปบาตนพกทุกยุคทุกสมัยชาวไทยศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาถวายจตุปปัจจัยพระสงฆ์ทุกวันนักมูลค่าไม่ได้ทำไมคนไทยจึงมีกินมีใช้ม่ใช่บุญหรือ บุญมีจริงไหมมีเข้ากล้าในนางามฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลในป่ามีไม้มีปลาในน้ำมีสัตว์บนบกมีนกในอากาศมีใจบุญเกิดจากการถวายทานพระสงฆ์ในแต่ละวันหรือธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์มั่นมักจะยกการทำนามาเป็นเรื่องอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบเกือบจะไม่ว่างเว้นเลย และอธิบายเรื่องการทำนาได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนมากคงจะได้พบในมุตโตไทยผู้เล่าจะนำมาเล่าเท่าที่จำได้เช่นการปฏิบัติทำถูกก็ถูกมาแต่ต้นท่านหมายถึงผู้ปฏิบัติคือไม่ลืงคำสอนที่พระอุปชาสอนไว้แต่วันบวชการทำนาก็เหมือนกันผิดมาตั้งแต่ต้น ห่วงเม้าบอมีคำเหลืองส้อยซี่เป็นหอยหิห่ข้าวก่รเป็นข้าวพัวงวสซให้ต่อควายคำนี้ท่านเปรียบผู้เรียนรู้มากแล้วลาศิกขาออกไปเปรียบดิวข้าวในนาจนจะสุกอยู่แล้วเลยถูกนอนคอรวงกัดกินเสียหายหมดเลยไม่ได้กินศูนย์เปล่า